เวลาพัฒนาประเทศมากๆประเทศเจริญแต่ใจมันเสื่อมมันไม่มีความสุขจริงอย่างคนไทยทุกวันนี้เราเศรษฐกิจดีขึ้นมีอยู่มีกินมากขึ้นตามแบบฝรั่งมากไปกลายเป็นนักบริโภคตามบางอย่างของฝรั่งตามการบริโภคของฝรั่งแต่การผลิตไม่เอาไม่ตามใคร ไม่ค่อยทำมาหากินเท่าไหร่วันๆนก็คิดเที่ยวคิดเล่นคิดสนุกไม่สนใจธรรมะเมื่อไม่สนใจธรรมะนะั้นบ้านเมืองมันไม่มีความร่มเย็นทุกวันนี้ในเมืองไทยนะคนมีฐานะก็ดีขึ้นกว่าสมัยก่อนมีของกินมีของใช้เยอะแยะแต่ความสุขมันหายไป เมื่อก่อนบางไทยได้ชื่อเป็นเมืองยิ้มยิ้มเก่งเดี๋ยวนี้ยิ้มน่ากลัวยิ้มแบบออื ม, มีแต่พวกวัดเ่านเานี่ยยังน่าเป็นอยู่คนไม่มีความสุขยิ้มไม่ออกมีกินมีใช้อย่างเดียวได้อยู่ได้กินอย่างเดียวแล้วพอใจแค่นั้นมันคือวิถีชีวิตของสัตว์ สัตว์นะั้นมันได้แค่อยู่ได้กินมันอยู่รอดไปไม่มีใครมาฆ่ามันตายมันก็พอใจแล้วมันมันเึงงั้นถ้าเราพอใจชีวิตเรามีกินมีใช้ทุกวันทุกวันพอใจแล้วก็ไม่ต่างกับสัตว์เท่าไหร่สัตว์ก็เป็นอย่างนั้นนะชื่อเป็นคนเป็นมนุษย์คำว่ามนุษย์นะเป็นภาษาบาลีแปลว่าผู้มีใจสูง งั้นถ้าเราลำพังหาอยู่หากินไปพอใจชีวิตแค่นี้ไม่พอใจไม่สนใจการจะยกระดับจิตใจเราไม่ได้ต่างจากสัตว์งั้นเราจะต่างจากสัตว์ได้ตรงที่เราสามารถพัฒนาคุณธรรมในใจของเราขึ้นไปได้คนไทยยังมีบุญนะบันพบุรนะุษรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนามาได้ รัศดรูของเราที่มารบกับเราเนี่ยก็พวกชาวพุทธด้วยกันพระม่า ก, ก็พวกพุทธไม่ได้พวกอื่นศาสนาพุทธนี่ยังอยู่ได้เมืองจีนเนี่ยศาสนาพุทธก็หายไปเหลือนิดหน่อยเหลือไม่มากแต่คำเภีร์ของเขายังอยู่นะหลวงพ่อรู้จักพระจีนองหนึ่งพระคนไทยนี่แหละ แต่บทภาษาจีนท่านบอกในเมืองจีนเนี่ยคมพียังอยู่เยอะเลยท่านพยายามแปลเป็นภาษาไทยนี่ธรรมะมันก็แลกกันไปแลกกันมานี่ธรรมะแบบของไทยเนี่ยนธรรมะแบบที่พยายามให้ใกล้เคียงกับธรรมะดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สวมายธรรมะที่ไป ทีเบสไปเมืองจีนไปอะไรเนี่ยพยายามปรับให้เข้ากับคนในพื้นที่เข้ากับลัทธิเดิมๆแต่ธรรมะของไทยแบบเถรวาดเนี่ยพยายามรักษาให้ตรงกับคําสอนพระพุทธเจ้ามากที่สุดแต่มันรักษายากโดยธรรมชาติพอมาตกเข้ามาในเมืองไทยมันก็ปนกับลัทธิถือผี ต่อมาก็ยกระดับผีขึ้นเป็นเทวดาในนี้เราก็นับถือพระปณกกรเทวดาส่วนธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้านะยังมีอยู่ถ้าเรารู้จักกลันก่องเลือกเฟ้นเอาว่าอันไหนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันไหนเป็นสิ่งที่เติมเข้ามาทีหลัง เวลาธรรมะของพระเจ้าตกไปอยู่ในพื้นที่ไหนนั้นก็ไปปนกับธรรมะไปปนกับความเชื่อในแต่ละพื้นที่นั้นเข้าไปอยู่ในทิเบตก็ไปปนแบบของทิเบตเข้าไปจีนเข้าไปญี่ปุ่นนนะั้ก็ไปกลืนปนกับความเชื่อดั้งเดิมมาเมืองไทยก็มาปนกับรัที่ถือผนะีแต่ว่าคนไทยยังดีอย่างหนึ่งว่าเราพยายามรักษา สิ่งที่พระเจ้าสอนไว้งั้นถ้าเรารู้จักเลือกก็เลือกออกมาได้ธรรมะที่พระเทเจ้าสอนนั้นเป็นธรรมะที่ต้องช่วยตัวเองไม่ใช่อ้อนบอนให้เทวดาหรือให้ผีมาช่วยไม่ได้อ้อนบอนให้พระโพธิสัตว์มาช่วยอย่างคนทางเมืองไทยเมืองเขมรเมืองอะไรองี้ให้เทวดาช่วยเมื่ออยู่ทางจีนกะ็ให้พระโพธิสัตว์ช่วย เหมือนกันแหละคือให้คนอื่นช่วยธรรมาทแท้ๆของพระพุทธเจ้าธรรมาของคนที่ช่วยตัวเองเคารพในความสามารถของมนุษย์ที่มนุษย์นี่แหละคนธรรมดานี่แหละสามารถพัฒนาใจของเราจนกลายเป็นเทพได้ไม่ต้องไปเกิดใหม่นะคำว่าเทวดามีหลายพวก เทวดาโดยการเกิดเรียก อ, อุปติเทพพวกเทวดาจริงๆเทวดาอีกพวกหนึ่งพวกกษัตริย์เรียกว่าสมมติเทพเทวดาโดยสมมุติส่วนพวกเราเนี่ยสามารถเป็นเทวดาได้เหมือนกันเรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นเทวดาด้วยความบริสุทธิ์ถ้าเราสามารถฝึกจิตฝึกใจจนเป็นวิสุทธิเทพได้ร่างกายยังเป็นมนุษย์ แต่จิตนั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์เทวดาโดยการเกิดนะยังนับถือเลยดะงนั้นเราไม่มีใครจะมาช่วยเราได้ที่จะทําทใจของเราให้บริสุทธิ์คนอื่นช่วยเราได้แค่ช่วยให้เรามีกินมีใช้ช่วยให้เราปลอดภัยช่วยได้แต่ชีวิตร่างกายในจิตใจของเราเราต้องช่วยตัวเอง ที่จพัฒนาเข้าไปถึงความบริสุทธิ์ให้ได้จิตใจที่บริสุทธิ์มันเป็นจิตใจที่ไม่ปนเปื้อนด้วยกิเลสไม่มีความอยากไม่มีตัณหาจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์เป็นจิตใจที่หิวโหวยมีความต้องการอยากตลอดเวลาหิวตลอดเวลาใจที่หิวใจที่อยากก็ดิน้นก็ดิ้นรนไป ใจที่ดิ้นรนไม่มีความสุขไม่มีความสงบในขณะที่ใจที่เต็มมีความเต็มมีความอิ่มอยู่ในตัวเองมีความบริสุทธิ์มันถึงจะเต็มอิ่มได้มันไม่มีความหิวโหยมันก็ไม่มีการดิ้นรนเมื่อมันไม่ดิ้นรนมันก็ไม่มีความทุกข์เราจะมาฝึกใจของเราให้เต็มให้อิ่มด้วยธรรมะ ไม่มีอะไรทำให้ใจเราอิ่มได้นอกจากธรรมะร่างกายเนี่ยอิ่มด้วยอาหารคนในโลกก็อิ่มด้วยอารมณ์ต่างๆแต่ก็ไม่อิ่มจริงอาหารเรากินไปก็ยังอิ่มได้นะแต่ใจเนี่ยเราให้มันกินอารมณ์ที่ชอบใจแล้วมันก็ไม่อิ่มหรอกมันก็จะอยากได้อารมณ์อื่นต่อไปอีกมันจะหิวทันทีเลย อย่างพอได้สิ่งนี้มานะก็จะเริ่มอยากได้สิ่งอื่นต่อไปอีกยันใจเนี่ยนะปากกว้างมากเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพรนหิว <c oughs> ตลอดเวลาเนี๋ยวเราลองไปสังเกตตัวเองดูลองนับดูนะว่ชั่วโมงหนึ่งในชั่วโมงหนึ่งเยอะไปก็เอาแค่สิบนาทีในสิบนาทีเนี่ยใจเรามีความอยากเกิดขึ้นกี่ครั้ง ลองไปนับดูนะสารพัดจะอยากเลยอย่างนั่งแถวเนี้ยได้กลิ่นอาหารอยากกินแล้วเมื่อไรหลวงพ่อจะเทศจบสักทีจะได้รีบไปกินบางคนก็เลงจะกินจานนี้แหละใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาไนมะ่หิวตลอดเวลาเลย มันหิวขึ้นมามันก็ต้องดินด้นดิ้นรนแสวงหาเพื่อจะตอบสนองความอยากจิตที่ดินน้นรนแสวงหาเั้นเป็นจิตที่มีภาระมีงานต้องทามากมายจิตที่มีภาระคืจิตที่มีความทุกข์เงินถ้าเมื่อไร่จิตไม่มีความหิวโหยไม่มีความดินน้นรนไม่มีภาระไม่มีความทุกข์เราจะเติมจิตให้เต็มด้วยธรรมะ ส่วนอารมณ์ทางโลกนะเอามาเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเช่นมีแฟนหนึ่งคนนึกว่าจะเต็มไม่เต็มเดี๋ยวอยากมีคนที่สอ ง, งมีกิ๊กยังมีแม่ ก, กิ๊กเดี๋ยวนี้ยังมีไม่สับนี้สับแปลกๆเนี่ยตามไม่ค่อยทานนะหลวงพ่อดูตามห้องน้ำเวลาเวลาไปเทศนะแวะเข้าห้องน้ำสาธารณะเนี่ยดูจิตกรรมฝาผนังมากจะมีสับอะไรใหม่ๆมัมง บางตัวก็แปลออกบางตัวก็แปลไม่ออกบางตัวก็ไม่กล้าถามคนอื่นด้วยสงสัยเชสนัพ์ไม่ดี <c oughs> ภาษามันเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนไปเรื่อยๆ <c oughs> ใจอยากบ้างอย่างใครอยากหนึ่งครั้งยกมือสิใครเห็นอยากหนึ่งครั้งสองครั้งใครอยากเกินสิบลนะม <c oughs> จะอยากตลอดนะอยาง ความอยากมีสารพัดอยากอยากตลอดเวลาอารมณ์ทางโลกมันไม่อิ่มมันเลยต้องอยากตลอดมีแฟนหนึ่งคนไม่อิ่มก็อยากมีสองคนมีสองคนแล้วไม่อิ่มอยากแต่งไม่อยากเป็นแฟนแล้วอยากแต่งงานาแต่งงานได้ไม่กี่วันอยากอย่าหรือบางคนอยากมีลูกมาขอกับพระ จุดทูบจุดเทียนขอลูกที่พระองค์นั้นองค์นี้ขอที่ต้นไม้พระองค์สายหน้าของฉันก็ไม่มีลูกเหมือนกัน <c oughs> มีลูกแนละ้วก็มีความอยากเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะอยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกไม่ทุกข์ตัวเองก็อยากเยอะอยู่แล้วนะไปหาพระะมาเพิ่มขึ้นนะต้องอยากเยอะขึ้นอีกมีแฟนแล้วก็อยากเยอะขึ้นนะ มีลูกก็อยากเยอะขึ้นมีอะไรก็มีภาระตามมาหมดเลยคนจีนแต่ก่อนชับขีจักรยานก็มีภาระต้องดูแลจักรยานเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมีมอเตอรไ์ไซค์ก็ดูแลนะต้องดูแลมากขึ้นไปอีกมีรถยนต์โก้หน่อยดูแลมากขึ้นอีกมากกว่าดูแลจักรยาน เคยมีบ้านหลังเล็กๆพออยู่พอนอนของไม่มากาบ้านใหญ่ขึ้นของเยอะขึ้นภาระก็เยอะขึ้นเงียความต้องการทางโลกนะยิ่งเราสนองมันเท่าไหร่เท่าไหร่นะความต้องการยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภาระยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีภาระมากขึ้นเรื่อยๆทุ ก, ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆและความต้องการทางโลกไม่มีวันเต็มไม่มีวันอิ่ม พระพุทธเจ้าท่านเทียบเหมือนมหาสมุทรมหาสมุทรบอกว่าตัญหานาทัทีตันหาสมานทีห่วงน้ำใหญ่เท่ากับตัญหานะไม่มีมหาสมุทรนะยังใหญ่ไม่เท่าตัญหาเลยมหาสมุทรรองรับน้ำได้เยอะแต่ตอนนี้พอน้ำละลายน้ําแข็งละลายมากจริงๆมหาสมุทรรับไม่ไหวแะว ด้วเฉลีย่ยมาให้แผ่นดินชายฝั่งรับบ้างแต่ความอยากนะเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสนองเท่าไหร่ก็ไม่ด้วยใจอิ่มจะพองั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆไปวิธีที่เราจะพ้นจากทุกข์ได้ต้องมาเติมใจเราด้วยธรรมะนี่แหละตัวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์สิ้นเชิงเนี่ว่าตัวปัญญา พระเจ้าสอนนะคนถึงความบริสุทธิ์ในด้วยปัญญาถ้าขาดปัญญาตัวเดียวนี่ใจจะไม่อิ่มใจจะไม่เต็มทำไมขาดปัญญาแล้วใจมันไม่อิ่มเพราะตัณหาหรือความอยากเนี่ยมีรากเหง้ามาจากอาวิชชาความไม่รู้ความโง่อวิชามตรงข้ามกับตัวปัญญานั่นแหละถ้าเรามีปัญญาขึ้นมาเมื่อไหร่ ท่านทำลายความไม่รู้ความโง่ของเราลงไปได้ความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาธรรมดาไม่ใช่ปัญญาฉลาดอย่างโลกโลกปัญญาตัวที่จะทำให้เราพ้นจากอำนาจของตัณหาสิ้นเชิงเนี่ยเป็นปัญญาระดับสูงมีชื่อเฉพาะเรียกว่าวิชาวิชาตรงข้ามกับอาวิชา ปัญญาตัววิชาเนี่ยคือการรู้รู้ความจริงว่าขันห้านี้คือตัวทุกนะรู้ตัวนี้ก่อนถ้ารู้ทุกเมื่อไหร่สมุทัยคือความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้ารู้ทุกนะคำว่าทุกไม่ใช่ความทุกอย่างที่พวกเราเคยรู้จักคาว่าทุก ในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นศัพท์เฉพาะมีความหมายเฉพาะอะไรเรียกว่าทุกขขันห้ารูปนามกายใจของเรานี่แหละคือตัวทุกข์มีภาษาบาลีบอกสังคิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานะคันธาทุกขาโดยสรุปโดยสรุปขันทั้งห้าคือตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ไม่ใช่ละ หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่ละให้รู้ขันห้าไม่ใช่ละขันห้ามันจะละได้ยังไงขันห้ามันอยู่กับเราจะละมันไม่ได้ให้รู้มันรู้จะเราเห็นความจริงนะว่าขันห้า ร, รูปนามกายใจของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของที่เราบังคับมันไม่ได้จริง ยืมโลกเข้ามาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วต้องขืนเขาไปอย่างร่างกายนี้เรายืมวัตถุดิบจากโลกมาสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องขืนโลกไปจิตใจนันก็เป็นของบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับนี่เรียกว่าอนัตตาไม่ใช่เจ้าของไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับคือคาว่าอนัตตาถ้าเรารู้ทุกข์ก็คือการรู้ว่ากายนี้ใจนี้นนเป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่ถูกบีบคั้นเป็นของที่บังคับไม่ได้ยืมเข้ามาใช้นี่เรียกว่ารู้ทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทยัยจึงเกิดตัณหาขึ้นอย่างเพราะเราไม่รู้ความจริงนะว่าร่างกายนี้คือทุกข์เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเร า, เรารู้สึกไหมร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้าง ถ้าตรับใดที่เราเห็นว่าร่างกายนี้ทุกบ้างสุกบ้างเรียกว่าเรายังไม่รู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์จริงเราจะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเวลาทุกข์มากๆคนทั่วไปก็ว่ามันทุกข์เวลาทุกข์น้อยลงคนทั่วไปก็ว่ามันสุขแท้จริงมันไม่มีความสุขที่แท้จริงในร่างกายเลยร่างกายนี้มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก เราลองหายใจเข้าให้ยาวๆหายใจเข้ายาวๆดูสิว่าทุกข์หรือสุขทุกข์ไหมถ้าหายใจออกหายใจออกให้ยาวๆทุกข์หรือสุขทำไมทําไมเราต้องเปลี่ยนเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวหายใจออกเพราะมันทุกข์เรานั่งอยู่เราว่าสบายแล้วเดี๋ยวก็เมื่อยต้องลุกขึ้นยืนต้องลุกขึ้นเดิน ยืนมากก็เมือ่อยเดินมากก็เมือ่อยต้องมานั่งนั่งมากก็เมือ่อยต้องลงไปนอนนอนมากก็เมื่อยอีกใครนอนจนเมื่อยบ้างมีไหม <laughs> นอนเยอะเกิน <laughs> นอนจนเมือ่อย <laughs> บางคนนอนนานเป็นแผลกดกทับเป็นอามพาตาลุกไม่ได้นอนจนตัวเน่าเลยทุกนะทำไมเราต้องเปลี่ยนอิเดียบท ยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างนอนก็นอนพลิกไปพลิกมาบ้างก็เพราะมันทุกข์เนี่ยถ้าเรารู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันทุกข์จริงๆหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ความทุกข์ตอนนี้ทุกน้อยคนไม่มีปัญญาเพราะว่าสุขพอทุกข์มากขึ้นทุกคนก็เห็นตรงกันว่าทุกข์ เนี่ยเราจะมีสตินะคอยรู้อยู่ที่ร่างกายวันหนึ่งเราเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์พอเราเห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์แล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นความอยากที่เกี่ยวกับร่างกายจะไม่เกิดขึ้นความอยากทั้งหลายที่เกี่ยวกับร่างกายมันก็อยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์ก็ถ้าเมื่อสติปัญญาแก่กล้าว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์แล้วนะ ความอยากจะให้ม like yeah. <Anything> ัน <sur> ส <ierto> ุขเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นความอยากที่ให้ร่างกายเป็นสุขเป็นความไร้เดียงสาเหมือนเด็กโง่ๆหรือความต้องการที่ให้ร่างกายไม่ทุกเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ความจริงว่ามันคือตัวทุกสิ่งที่เป็นตัวทุกนั้นจะไปอยากให้มันเป็นตัวสุขเลยทําไมมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่มีเป็นตัวทุก์จะไปอยากให้มันไม่ทุก็เป็นไปไม่ได้ดังนัความอยากมันจะไม่เกิดขึ้นอีก ต่อไปเวลาร่างกายแก่คนอื่นเขากลุ่มใจเข า, กาแก่เรากลุ่มใจของเราเวลาร่างกายแก่เราไม่ทุกข์เราเห็นว่าตัวทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาร่างกายเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาร่างกายจะตายตัวทุกข์มันตายไม่ใช่เราตายตัวทุกข์มันตายก็สมน้ำหน้ามันใจไม่หวั่นไหว งั้นถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายแล้วเราจะไม่หวั่นไหวเพราะร่างกายตัณหาความอยาก ใ, นในๆดๆเกี่ยวกับทางกายไม่มีหรอกมันจะเหลือแต่ความต้องการทางกายจริงๆแต่ไม่ใช่ตัณหาหิวข้าวยอย่างเงี้ยหิวข้าวเป็นความต้องการทางร่างกายแต่ตะกะเป็นความต้องการทางใจเป็นตัณหามันอยากได้ตกะกะง่วงแล้วไปนอนความง่วง เป็นความธรรมดาของร่างกายง่วงเราก็ต้องไปนอนแต่ขี้เกียจแล้วไปนอนเนี่ยขี้เกียจเป็นเรื่องทางใจมันจะเหลือแต่ความจำเป็นทางร่างกายจริงๆแต่ไม่ใช่ทำไปเพราะว่าใจมันอยาก ใ, ใจเราจะไปอิสระมีอิสระขึ้นเราก็มีหน้านที่ดูแลร่างกายไปร่างกายหิว ก็พามันไปกินข้าวร่างกายง่วงก็พามันไปนอนร่างกายร้อนพามันไปอาบน้ำร่างกายหนาวพามันใส่เสื้อผ้าเนะี่ยดูอย่างนี้เมื่อก่อนนี้มีคำสอนนะเคยอ่านคาสอนของเซนบอกหลักของการปฏิบัติคือหิวก็กินง่วงก็นอนตอนหลวงพ่อวัยรุ่นอุ้หลักอย่างนี้ชอบเลย ได้กินให้อิ่มนอนให้สบายเลยนะที่จริงเขาสอนถูกนะยิวก็กินเขาไม่ได้บอกว่าตะกะให้กินนะง่วงก็ให้นอนเขาไม่ได้บอกว่าขี้เกียจต้องให้นอนเนี่ยนั่นทางทางร่างกายไม่ไปบังคับมันไม่ได้ทรมานมันดูแลมันไปเพื่ออะไรเพื่อเอาร่างกายนี้ไว้ปฏิบัติธรรมยกระดับใจของเราให้พ้นทุกข์ไปต้องอาศัยร่างกาย ไม่อาศัยร่างกายก็าภาวนายากอย่างพอร่างกายแก่เนี่ยภาวนาลําบากนะเงั้นภาวนาตั้งแต่อายุน้อยๆดีรอจนแก่แล้วมาภาวนาเนี่ยสติอะไรมันอยู่กันเน้อก็ตัวยากใจมันลอยง่ายมันจะเคลิ้มง่ายถึงเวลาจะเจริญสติก็จะหลับถึงเวลานอนหลับก็ตื่นเนะี่ยกลับหัวกลับหางไปหมดนะ เรามีร่างกายนะเราดูแลร่างกายไว้เพื่อเอามันมาปฏิบัติทำพัฒนาจิตของเราขึ้นไปเมื่อเราพัฒนาจิตใจแล้วเราก็อาศัยร่างกายนี้แหละทำประโยชน์เผยแพร่ธรรมะ ต, ต่อไปถ่ายทอดธรรมะไปเพื่ออะไรเพื่อผู้อื่นเขาจะได้รับประโยชน์อันนี้บ้างเนี่ยไม่ได้ทำไปด้วยกิเลสตัณหานะ ทําไปด้วยความเมตตากรุณาล้วนๆเลยงี่นเราก็ดูแลร่างกายไปไม่ต้องให้มันพังเร็หัวที่ควรจะเป็นอยู่ก็กินง่วงก็นอนร้อนก็ไปอาบน้ำหนาวก็ไปใส่เสื้อให้เยอะขึ้นเ น, นี่ยดูแลมันไปแต่ถ้ามันแก่เออตัวทุกข์มันแก่เวลามันไม่สบายตัวทุกข์มันไม่สบายเวลามันจะตายตัวทุกข์มันจะตาย ไม่เดือดร้อนใจจะไม่เดือดร้อนความทุกข์จะเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายแต่ความทุกข์ทางใจไม่มีเนี่ยรหัสจเจริญปัญญานะดูอย่างนี้แหละดูความจริงลงไปในร่างกายเห็นแต่ตัวทุกข์ไม่เห็นมีตัวดีเลยตรงไหนเลยคอยรู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆเดี๋ยวก็เห็นเองว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์เพราะความหิวเพราะความกระหายน้ำํำหิวข้าว ทุกเพราะความหนาวทุกเพราะความร้อนนะทุกเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยสารพัดจะทุกเนะนี่ยเรารู้ลงมาสุดท้ายก็เห็นว่ากายนี้มีแต่ทุกนะนี่คือการเจริญปัญญาในการเรียนรู้กายส่วนการเจริญปัญญาในการเรียนรู้จิตนะเราจะเห็นว่าจิตนี่เต็มควมด้วยความไม่เที่ยงจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เราดิ้นรนทำทุกสิ่งทุ ก, ทกอย่างนะเพื่อให้จิตใจมีความสุขอย่างเราอยากมีแฟนนะเพื่อให้ใจมีความสุขเราอยากจะมีชื่อเสียงเพื่อให้จิตใจมีความสุขอยากจะมีโน้นมีนี่จิตใจจะได้มีความสุขไปดูหนังก็เพื่อว่าให้ใจมีความสุขไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินเพื่อให้จิตใจมีความสุข ไปหาของอร่อยกินนี่ไม่ได้ทำให้ร่างกายมีความสุขนะถ้าเราเลือกกินของอร่อยมากๆร่างกายจะทุกข์ก็ได้เช่นบางคนชอบกินขาหมูหมั่นโถสมมตินะไม่ใช่หลวงพ่อชอบนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิด ย, ยกมาเรื่อยๆคุ้มใจคนชอบกินนะเนี่ยกินไปร่างกายไม่ได้ต้องการขาหมูหมั่นโถไม่ได้ต้องการบะหมี่เป็ดห้องกุงเสี่ยงหายไม่ใช่ ร่างกายต้องการอาหารแต่ใครเป็นต้องคนต้องการกินอันนอนกินอันนี้ใจต้องการดังนนความต้องการนี้ไม่จบหรอกจะหิวไปเรื่อยๆร่างกายหิววันหนึ่งสองสามครั้งใจหิวทั้งวันนี่ยเรามาดูที่ใจนะเราเห็นในะใจเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โกรธนะเดี๋ยวก็ฟุง้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะี่ค่อยมารู้อยู่ที่ใจได้่อยสุดท้ายปัญญามันเกิดนะอุสตส่าดดิ้นรนหาอารมณ์ที่ดีมาเพื่อให้ใจมีความสุขนะมันมีอยู่ได้ชั่วคราวความสุขก็หายไปอีกละดิ้นรนแทบตายนะได้ความสุขมา น, นิดหนึ่งแล้วความสุขก็หายไปอีกก็ต้องดิ้นอีกแนี่ใจที่มีปัญญามจะเริ่มเห็นตรงนี้แล้วมันจะรู้เลยว่าความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกที แล้วความสุขที่ได้มาจากการดิ้นรนอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหรือบางทีเราก็ดิ้นรนหนีความทุกข์พรหนีได้นะหมดทุกเรื่องนี้ก็ไปทุกเรื่องอื่นต่อเนี่ยเฝ้ารู้ลงมาในจิตในใจนะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้เลยดิ้นรนแทบตายเพื่อได้ความสุขมาความสุขอยู่กับเราแป๊บเดียวก็หายไปอีกแล้วดิ้นรนแทบตายเพื่อจะหนีความทุกข์ หนีได้แป้มเดียวความทุกข์ก็ตามมาอีกแล้วได้เฝ้ารู้ลงไปนะใจไม่ว่าจะอยากยังไงจะอยากมีความสุขหรืออยากไม่ทุกข์ก็ทุกข์ทั้งหมดเลยใจจะถูกบีบคั้นตลอดเวลาเวลาที่ใจมีความอยากนั่นจะมีการขยำขยี้ในใจใจมันจะถูกขยี้ไปหัดดูนะมนจะรู้สึกถูกบีอยู่ไม่มีความสุขเลยนี่พอเราเฝ้ารู้ความจริงนะสุดท้ายปัญญามันเกิดนะ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาให้จิตเรารู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็หายไปใจมันจะไม่หิวความสุขใจมันจะไม่เกลียดความทุกข์มันะจะเป็นกลางต่อสุขและทุกข์จะเป็นกลางต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อใจมันเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วเนี่ยมันก็ไม่หิวเลยถ้าใจมันไม่ไปเข้าสู่ความเป็นกลางก็หิวไปเรื่อยๆอยากได้อันนี้อยากพ้นจากอันนี้นะ ยังมันอยากได้ความสุขมันอยากหนีความทุกข์แต่ถ้าปัญญามันเกิดความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวความอยากจะหนีไม่เกิดขึ้นถ้าเรารู้ทันใจของเราความรู้สึกอารมณ์ทุกชนิดที่เกิดในใจเราความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดในใจเราเชั่วคราวหมดเลยการดิ้นรนความอยากที่จะให้พ้นไปจากความทุกข์ความอยากจะให้ได้ความสุขไม่เกิด เมื่อใจปราศจากความอยากใจไม่ถูกขยาขยี้ไม่ถูกกดดันไม่ถูกเขี่ยวเข็นทรมานจิตใจเข้าถึงความอิ่มความเต็มความสุขความสงบที่แท้จริงในโลกนี้ไม่มีความสุขที่แท้จริงนะแต่จิตที่เข้าถึงทำแล้วมีความสุขที่แท้จริงเพราะไม่หิวนะเพราะมันเต็มมันอิ่มในตัวของมันเองด้วยปัญญาปัญญาที่ทาให้ใจเราเต็มใจเราอิ่มก็คือการเห็นความจริงว่า สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปความสุขเกิดขึ้นความสุขก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ก็ดับไปเห็นอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่ดิ้นรนหาความสุขไม่ดิ้นรนหนีความทุกขนะ์เลยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกนั้นอาศัยปัญญาที่แก่กล้าแล้วนี่เองทําให้ความอยากไม่เกิดขึ้นอีกอาศัยปัญญาหรือวิ ช, ชา ทำ Kennedy, า aa, ลายอวิชาลงไปได้ความไม่รู้ความโง่ของเราเมื่อไม่มีความโง่ค ว, ง no, ความอยากจะไม่เกิดเมื่อความอยากไม่เกิดความดิ้นรนทางใจจะไม่เกิดเมื่อความดิ้นรนทางใจไม่เกิดภาระทางใจจะไม่เกิดเมื่อปราศจากภาระจิตใจก็เป็นอิสระถ้าเรามีงานอยู่รู้สึกไหมเราจะยังมีงานค้างอยู่เนี่ยไม่อิสระรู้สึกไหม แต่ใจที่เต็มที่แล้วนะพอนาเต็มที่แล้วไม่มีอะไรคร้างอยอีกแล้วไม่มีงานที่ต้องทำอีกแล้วมันอิสระเต็มที่เดี๋ยวไปฝึกก่อนนะเดี๋ยวไปกินข้าวจ้ะระหว่างกินข้าวคอยสังเกต น, นะว่ามีความอยากเกิดขึ้นกี่ครั้งนี่หมดเลยครับพระก็ต้องสังเกต น, นะ <laughs>